ได้ยินมาว่าบางก็ตำลาบ้างบางคนอื่นเราไปฟังบ้างเราก็จดจำเอาพรอมันจับใจพระสาวกของพระพุทธเจ้าผู้มีกตัญญูยอดเยี่ยมองค์หนึ่งที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญว่ายอดต่อจริงๆเรื่องมีอยู่ว่าในตะระกูลเศรษฐีอยู่เมืองสาวกสีนี่ตระกูลหนึ่งเป็นผู้มีอันจะอยู่จะจิน ร่ลำรวยพอสมควรละ่ะแต่แจแล้วจึงแต่งงานแต่งงานมาแล้วอายุสี่สิบปีแล้วจึงค่อยได้ลูกเนียแต่งงานมาสี่สิบปีเราได้ลูกมามแมสมปาศนาลูกอยากจะได้อะไรหาให้ได้หมดม น, นอกจากเดือนและดาวเท่านั้นเราให้ไม่ได้นอกนั้นให้ลูกได้หมดทุกอย่างเอี่ยวว่าโอนะโอนลูกคนเดียวลูกชายคนเดียว ทั้พ่อทั้งแม่ลูกอยากได้เครื่องประดับหรือซื้อให้ลูกเครื่องประดับหน้าเนี่ยก็อยูชาดาหรืออะไรมันตรงหน้าเขาเครื่องประดับหน้าซื้อให้ราคาตั้งพันคาปณ่ราคาตั้งพันจึงได้นามว่าโสนกุติกกันก น, นาโสนกุติกกุติกกันกก น, นา มีเครื่องมีมีมีเครื่องประดับราคาตั้งพันกบนาบพ mm hmm. ันละเครื่องประดับหูประดับหน้าเนะี่ยอมา่าเมื่อเป็นหนุ่มขึ้นมาแล้วโหนก็ไม่อยากจะแต่งงานอะไรหรอกเรื่มใสพระพุทธเจ้าไปแอบดูพระพุทธเจ้าเดินบินบาทตอนเช้ากับสาวก ใจหลนเลื่อมใสมากอยากเป็นสาวกของพระพุท ธ, ธเจ้าเหมือนกับพระสาวกทั้งหลายอยากอยู่ใกล้ๆจะได้เห็นทุกวันยางดีวันไหนก็ไปแอบดูแอบดูจะอยู่มาวันหนึ่งแม่เลยบอกว่าโสลูกแม่จงไปหาผู้หญิงเะแม่จะแต่งงานให้ คนไหนชอบใจแม่จะแต่งงานให้เพื่อมารับมรดกพ่อก็แจแล้วแม่ก็แจแล้วไม่มีใครที่จะสืบทายาททรัพย์สมบัติเหล่านี้มันจะสูญหายไปก็ไม่ว่าอะไรตอบแม่ไปว่าลูกยังไม่พร้อมนะ ลูกยังไม่พร้อมที่จะแต่งงานเนี่ยนี่ลูกอยากบวชน uh. ะลูกอยากขอบวชสก่อน uh. ขอไปบวชสะก่อนพออยากเป็นสาวของพระพุทธเจ้าอยากตามหลังพระพุทธเจ้าวินาบาทไปไหนมาไหนอยากอยู่ใกล้พระพุทธเจ้า เอ้ S <S ยบวชไม่ได้ลูกเพราะว่าไม่มีใครสืบสืบญาติญากิสำหรับมรดก อ, อืมอ่านักนักเข้าแม่ไม่อนุญาตให้บวชกันเลยไม่กินข้าวลราตามตำราหนึหน่งว่าอย่างเงั้ยไม่กินข้าวไม่กินน้ําเลยไม่บวชก็ไม่บวช แ, แต่ว่าแต่ว่าจะไม่กินข้าวเรา อ่หลายวันมาแม่กลัวลูกตายคอยกินปลาลูกกินข้าวซะกินข้าวซอกินข้าวกินน้ำซะค่อนถ้าจะบวชจริงๆไงถ้าจะบวชจริงๆกินข้าวกินน้าให้มีกําลังตะกอนที่จึงจะทํำคงเพียนได้อออนุญาตนะแม่อนุญาตะนะอนุญาตก็ตเลยดีใจกินข้าวกินปลาแข็งแรงดีแล้ว แม่ก็เลยเอาไปฝากอูวิชาอาจารย์ให้ได้บวชจนได้บวชสมใจแล้ววะเนี่ยก็บวชเข้าไปแล้วก็ฟังเทศของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เทศเรื่องวิเวกวิเวกสามกา ย, ยวิเวกจิตกวิเวกอุปธิวิเวก ต้องแสวงหาสถานที่สงบสงัดประกอบความภาคความเพียรให้จิตใจมันหลุดพ้นจากกิเลสถ้ได้รับความสงบแล้วก็จะมีความสุขถ้ายังวุ่นวายอยู่มันยะไม่ได้รับความสุขเลยพระทีเจ้าประเทศเรื่องสันโดษมากน้อยเรื่องสงบส ง, บสงดัด เสนาสนะที่ไหนมันสงบสงัดที่นั่นเป็นที่บาเพ็ญสมณะให้ทำกองภาคกองเขียนให้มากๆพระพุทธเจ้าก็เทเรื่องสันโดษมากน้อยก็เกิดปุ้มปิติพอใจเดียอยากออกวิเวก ต่อมามีพระเถระออกวิเวกติดตามพระเถระไปะไปวิเวกในป่าในเขาเรียกว่าไปทุดงกันแล้วแต่ว่าไปวิเวกไม่ทุดงไปแบบสมัยนี้เขาละสมัยนี้เขาทุดงกันเป็นรลอยลอยตามหลังกันรวยรวยเลย อ่า น, นั้นไม่ได้เป็นอย่างนี้กันไปองค์สององค์ตามหลังกันไปแล้วเข้าป่าชิดไปเลยไม่มาเดินอวดคนอยู่อย่างสมัยนี้หรอกเข้าป่าชิดไปเลยให้หายต๋มไปเลยไปที่ไหนก็ยังไม่พอใจเข้าไปคุ่นะตีนเขาหิมะลายหุ่นะ อ, อ่ะสบายแล้วคน ได้ยินที่เสียงสัตว์ร้อ ง, งกลางค่ำกลางคืนวัวสัตว์ร้องให้ฟังเสียงเสือเสียงช้างมันหยอกกันเล่นเอก้กอาเอ้กอา ก, อากโอ้สนุกวีเวกจริงๆเลยไม่อยากกลับบ้านแต่ว่านั่งกรรมฐานไปพอใจสงบลง เสียงของแม่ดังขึ้นในหูเสมอบวชแล้วได้บุญแล้วจมศึกมาคลองสมบัตินาโลูอศึก่าคลองสมบัตินาลูกได้บุญแล้วก็ศึกมาคลองสมบัติดังขึ้นเสมอใจก็สะดุ้งไม่สงบอีกแล้วทําองเพียนต่อไปนทําอยู่อย่างเัินตั้งหลายปีดีดับ แต่วันนี้จะกล่าวถึงทางบ้านพอลูกนี้ไปบวชแล้วก็เกิดผลแลงเข้ายากหมากแปงขึ้นมาแล้งเ็ดปีไปเ็ดเดือนไม่ได้ทำงานเลยไม่ได้ทำนาเลยบริวารทั้งหลายก็ตีตัวออกห่างบริวารของเศรษฐีมันมีหลาย พวกพ่อค้าเปลี่ยนไปจี่ร้อยคนพวกทำนาไปจี่ร้อยคนต่างหลายครอบคั ว, วที่มาอาศัยอยู่ด้วยพ อ, อ, อพิดผลไม่มีกัเลยปากันตีตัวออกห่างไม่อยู่กับทันเศรษฐีแล้วหนีไปหนีไปห น, ไปนีไปยังเหลือน้อยเดียวมันนี้มันข่อยากมากแพงมาวันนี้ก็ สองตายายก็จะหมดเนื้อหมดตัวแล้วผลิตผลที่ได้ไม่คุ้มแล้วนะทำยังไงก็เลยปรึกษากันยาย่เออเรานี่จะจนตายแท้ๆแล้วอกอบริวารก็หนีหมดแล้วไม่มีอะไรจะกินแล้วทำยังไงหลง เอาเคลุ่ยหัดหลังนี่แหละพ่อครับว่านเราหลังเนี้ยขลุ่ยหดหลังเนี่ยไปจำนองเขาสิไปมีเพื่อนอยู่เพื่อนรู้จักกันเอาไปจำนองกับเพื่อนเขาไปขายฝากให้เขาจะเอาเท่าไรว่ากันจะเอาหลายพันขาน่าพันนทีเดียวเหรอหลายพันขาน่าพันน เพื่อนก็เลยสัญญาว่าสิบปีนะถ้าไม่หาเงินมาถ่ายก็เป็นของเราเอาก็เอาสัญญาผูกมัดกันอย่างดีก็ได้เงินมาแล้ววันนี้ได้เงินลสองตายายได้เงินมาแล้วบรรดาบริวารค่าเก่าเต่าเลี้ยงนะทั้งหลายกัน ได้เห็นเจ้านายมีเงินมากินแล้วก็เฮโรมาขอมาขอข อ, อาศัยทำงานให้ขอกินอยู่ด้วยก็ไม่ขัดไม่ได้ก็ให้เขาอยู่ด้วยแล้วก็คงจะหลายปียแล้วเงินที่ขาํานองที่มาแล้วเนี่ยก็คงจะกินหลายปีอยู่แล้ว ถือผลไม่ตกกับินได้หลายปีอยู่แต่ว่าอยู่มาอยู่มาแล้วมันไม่มีหนทางที่จะได้มาเงินปีจะผลปีแล้วปีเล่ามกับไม่ตกไม่นั่นอีกอยู่อย่างเก่าแล้วปีจะจนเข้าอีกไม่อยาหาเงินไหนมาถ่ายบ้านเลยนะพไปก็เก้าสิบปีมาแล้วหาเงินมาถ่ายบ้านไม่มีบ้านก็จะเป็นของเขาแล้วนะ่ะ คิดหนักกู้พ่อนะี่ะคิดหนักมากท่านปิยะหรือท่านสิยะเศรษฐีูจำชื่อไม่ได้ตอนนี้<ม>คิดหนักจนเป็นโรคหัวใจหัวใจกลวยตกใจง่ายหวาตื่นอยู่เลยตกนักนักเข้าเลยว่าเป็น S 1> <S 1> หัวใจร่วมเหลียวตายผู้พ่อนะ่ะตายซะแล้วยังไม่หาเงินมาถ่ายบ้านไม่มีแล้วปล่อยให้แต่มแม่ดูแลบ้านอยู่พ่อตายเอาไปฝังแล้วเอาไปเผาแล้วแม่ก็เป่าป่าเป๋เป๋าอะไรไ ป, เ, ป, เ, ป เ, เ, เพราะว่าลมมันไม่ดี ลูกไปวัวแล้วก็หายต่ำไปไม่อ้วกไปไหนไปยินข่าวมาข่าวคมลอยมาเขาบอกว่าผ้าโสนนะไปมีเวกในป่าใหญ่เกิดไข่ป่าตายอยู่ในป่าโอ้ยลูกเราตา ย, ยทํางไงจนะไม่ใช่โสนะนี่นะายตายจริงๆเราพราะโสนอื่นตาย โซนะกุติกนะนนี้ยังไม่ตายโซนะโกลิวิสาโคโซนือะไรมาหลายโซนะตายในป่าจริงๆแล้แต่เข้าใจว่าเป็นลูกตัวตายเสียใจอีกหนึ่งข่าวสา ม, มีตายสองไปยินข่าวลูกชายตายอีก ยายก็เสียใจปั่มปั่มเผล อ, อทำยังไงเราเราจะจับอะไรไม่ถูกบ้านก็จะเป็นของเขาแล้วอยู่รามาล่อแล้วต่อมาเขาก็ ย, ยื่นคำขาดมามันถึงเวลาแล้วยื่นคำขาดว่ายายเอ้ยยายหมดสัญญาแล้วยายเอ้ยหาเกินหาทองมาถ่าย ไปกู้ไปยืมทั้งอื่นมาถ่ายก็ได้ถ้าไม่ถ่ายก็บ้านก็จะเป็นของเรานะมีเ่เสียใจยังไม่มีปัญญาลรา ข, นะ ข, ขอต่อไปอีกคนเด้อขอขอต่อไปอีกคนเด้อเดี๋ยวบางทีฝ้าฝนดีก็จะได้มีหนทางทำไรทำนาเอาผลผลมาขายเอามาถ่ายออกเลย เขาเมตตาเขาก็ให้อยู่ไปอีกต่อไปอีกหลายปีหลายเดือนววาอีกเขาเลยยื่นอำขานเลยถ้าย้ายจะอยู่บ้านนี้ก็อยู่อย่างคนใช้ของบ้านนี้จะอยู่อย่างเจ้าของบ้านไม่ได้เพราะว่าบ้านหมดสัญญาแล้วเสียใจใหญ่เลยถ้าจะย้ายจะไม่อยู่ที่นี่ก็จงไปอยู่ที่อื่น จะพัฒนาบ้านจะสร้างบ้านใหม่จะต่อแปลงเสริมเติ ม, ตมใหม่ทะเลหาดล่ะนี่มันทุดโตมมากแล้วเสียใจอีกเวยโอ้อไปก็ไปคิดเห็นเพื่อนอยู่หัวบ้านโน้นจะไปอาศัยเพื่อนเหเพื่อนรักกันจริงๆจนจะเกิดมาเขาคงไม่ทิ้งเรา ผลริง่งคลของประจุกิจิตเท่าที่นี่ละไปเลยไอ้คนไปใช่ให้คนใช้ไปส่งไปส่งใส่บ้านเพื่อนไปถึงบ้านเพื่อนก็เพื่อนก็โอ้ยสหายทำไมเป็นอย่างนี้สหายตะคอไม่เป็นอย่างนี้สหายตนะคอดละมันเป็นมหาลาณีล่ารวยมหาสารอ่ล า, าลูกผ้าซาลีหัวอะไร ทองหยองเต็มหมดบัณฑิตสหายทำไมถึงซ้มซ่ออย่างนี้ก็เลยเล่าให้เพื่อนฟังว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนะสหายสามีตายแล้วไม่มีที่พึ่งบ้านก็เป็นของคนอื่นก็แล้วไม่มีที่อยู่ขอไล่ออกจากบ้านไม่มีที่อยู่จะมาขออาศัยสหายแน่ได้ได้ได้ได้สหาย เ, ยายเอ้ยเราทิ้งกันไม่ได้หรอก อยู่ที่นี่กับเรานี่หละมีมีอยู่มีกินกันแล้วกันเออยสงสารสายกันเลยให้ได้อยู่แต่ว่าอยู่ข้างบนไม่ได้นะส า, ายอยู่ข้างล่างนะอขอให้สงสายอยู่ข้างล่างนี่จะเอาเตียงแค่ไว้ไผ่มาตั้งใต้ถุนตรงตรงนี้ กันฝาให้ตรงนี้ให้สหายอยู่นี่พอเราแก่แล้วขึ้นลงขึ้นลงบริวารของเราก็หลายเขาจะชนตายเราเราแก่เอที่ไหนก็ได้ท่านนั่นสหายเลยของให้ได้ฝากปีฝากไข้ฝากทองฝากไตทัทบสหายก็แล้วกันไม่ไปไลยย่เรื่องนัไม่ไปไล่ไม่ต้องห่วงอยู่ตามสบายก็เลยได้อาศัยสหายอยู่ที่นั่น บัดนี้พระโสี่บันจะข่าวถึงพระโสดะไปอยู่ป่านั่งภาวนาไปสะดุดอารมณ์ห่งไปพอใจสงบใจสงบลงไปก็บวดแล้วได้บุญแล้วศึกมาคองสมบัตินะลูกแสวเข้ามาที่หูจะดุ้งอีกแ้คิดสังหนใจ รือแม่เราเป็นอะไรทำไมเป็นอย่างนี้มีเสียงแววอยู่เรื่อยๆจะขอลาครูบาอาจารย์กลับกอเนพราะปีนี้ได้ยินว่าพระบรมสรรารีรบพทจำพรรษาอยู่ที่เชตวันมหาวิหารเมืองสาวกีเนี่ยอยู่บ้านเราด้วยเราจะไปกล่าว พาาระบุรุษมัสสตาดาฟังเทศเพราะบุรุษมัสสตรดาด้วยเจะไปเยี่ยมมาตูภูมิด้วยเห็นจะดีเป็นแน่เลยลาครูบาอาจารย์เดินจากปีนเขาฮิมาลายุนะประเทศเ น, านปาลบน่ะเดี๋ยวนี้เป็นประเทศเนปาลแล้วมุ่งสู่เซาทีเดินหล่นดานมาอย่างนั้นใช้เวลาเป็นแลมเดือนจึงมาถึง สาวสีออกมาถึงพบค่ำแล้วก็จัดสถานที่ไปพักเขาตอนรับไปอยู่กุธิพระเทล่าเราเด้่มันไม่ใช่พระธรรมดามวว่ามาหลายปี20ปี30ปีแล้วเป็นพระเทล่าหัวล้านไม่ใช่หัวนุ่มนุ่มปออยู่เลย ต่อค่ำลงก็ไปฟังเทศพระบรมมาสตารดาคนครก็จะไปหาแม่ตอนเย็นเนี่ยไม่ดีจะไปเยี่ยมแม่ที่บ้านตอนเย็นเนไม่ดีพรุ่งนี้เช้าจะบินนําหวาัดไปกินข้าวของแม่ให้แม่ตกใจนะไปฟังเทศพระพุทธเจ้าก็บอบใจแล้วเนี่ยบอกใจรู้จักว่า โสภานี่จะโดนอารมณ์อย่างหนักนะคร อ, อบครัวหแหกลหล่บานเป็นของเขามานันดาไปอาศัยผู้อื่นก็คงจะอารมณ์สู้ไหวเงืปแล้วเทปอบใจซะก่อนอเตปเหลืองวีเวกเกตเหลือง ามาตาปิตุอุปบธานางพุทธาราสันคโหอะไรเหล่านี่ยคันอุป ร, รมบทาบิดามารดาเนี่ยเป็นมาตาปิตุอุปบธ า, าธรรมจากสูงหาได้ยากุนอย่างนั้นเศษหลายอย่างหลายรสจนพระสนะเทบเคิมด้วยธรรมะสบายแล้วห น, นีกับกุตติ เลิกแล้วก็ไปคุฏิไปนอนจนําวัดสะกพักจับวัดตื่นขึ้นมาก็เอาแล้วป่เนี่ยนุ่งสปวงส ง, งกีวรตอนทังคาติมืออุ้มคอนอู้มบาทก็ลีลาดไปตามตอกทอยที่เคยรู้จักอยู่ตาวสีบ้านเราอยู่ที่โน้นอะทอยโน้นอะจะไปทางนี้ไปถึงบ้านล้วจะ พักที่นั่นแหละขึ้นบ้านกินข้าวของแม่สั่นข้าให้แม่เลยคนนี้ไปไปถึงบ้านตัวจริงๆจาไม่ได้แล้วพอนะบ้านหลังนี้จริงๆก็เข้าใจว่าเป็นบ้านมันใช่แล้วอยู่ต่อนี้มุมนี่แน่นอนนี่เรื่องหาดหลังนี้เป็นของเราบ้านเรา แต่คนลงมาใส่บาดรทำไมไม่รู้จักสักคนเนอะเราไม่รู้จักสักคนต้นไม้อยู่ตรงนี้ต้นหนึ่งต้นอโศกใหญ่โตลมลื่นดีต้นสะท้อนต้นอะไรมันหายไปไหนหมดหมันตายปีสิบสามจีปีเรมันตายไปแล้วต้นเก่าเขาปลูกต้นไว่ยังไม่สูงเลย แต่กําแพงเขาก็ทําใหม่บ้านเขาก็ทําใหม่หลายอย่างก็เลยทนไม่ไหวก็เลยถามคนมาใส่บาทว่าโยมโยมบ้านหลังนี้เป็นบ้านของข้าพอดีท่านปิยะหรือเปล่าเลยวใช่แล้วพระคุณเจ้าอใช่แล้วแต่ก่อนแต่ก่อนเป็นของท่านเศรษฐีท่าน มัน จ, จริงๆเลครับพอดีจริงๆละแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่เออทำไมล่ะโยงท่านกาวพอดีท่านวันผลแรงหลายปีหมดเนื้อหมดตัวผิตผลของท่านก็ไม่พอก็เลยเอาว่านหลังนี้ไปจำลองกับเจ้านายของข้าพเจ้า ขายฝากกับเจ้านายของเขาไปเจ้าสัญญากันสิบปีเราไปฟังเออให้หาเงินมาถ่ายท่านดียาเศรษฐีหรือท่านนั้นท่านหาเงินมาถ่ายบ้านไม่ได้แล้วเกิดโรคหัวใจอะไรปีนั้นปีนั้ น, น, นก็เลยถึงแก่ความตายแล้วหัวใจร่มเหลวอคิดหนักนะ เพงรู้จักว่าพ่อตายเดี๋ยวนี้แล้ว嘛เนี่ยตายแล้วแล้วโยมผู้หญิงเออผู้หญิงโยมผู้หญิงเอมงอมันหมดสัญญาแล้วเขาเลยให้ออกจากบ้านไปออกจากบ้านนี่ไปไปอยู่กับสหายไปอยู่กับสหายเก่าทางหัวเมืองทางโน้นเลยเอโสฬาแถ จากลมทั้งยืนเลยได้ยินข่าวแม่ล่มละลายขนาดนี้นึกว่าแม่อยู่ดีจินดีนึกว่าพ่อมีชีวิตอยู่นึกว่าบริวารยังดูแลแม่อยู่อย่างเกา่าบริวารเป็นร้อยปลอย่อยให้พ่อให้แม่ไะแหงไรหอนขนาดนี้ได้ยังไงเสี ย, ยใจใหญ่แล้วอาเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโยมือ หีนวดัดตามได้ไม่เห็นแม่จักไม่ขับวัดละมันพอฉันที่ไหนจะฉันที่นั่นละ่ะเดินมันไปอย่างนี้ละ่ะข้ามุ่งไปสู่บ้านสหายเก่าเคยเป็นเด็กเคยไปหาสหายแม่อยู่นเชี่ยวแน่นอนเคยเป็นเพื่อนกันเคยไปเล่นอยู่แถวโ น, น้นล่ะคงจะอยู่นั่นแน่นอนล่เดินไป มีนวารก็ได้จุดเต็มวารแล้วมันมไปเรื่อยเขาใส่ไปเรื่อยใส่ไปเรื่อยไปไหนเขาเขาก็ใส่ไปเรื่อยชาวอธิศิกรมงดมสมบูรณ์อ่าเข้าได้เข้าอาหารมากว่าพี่จริงกับแม่เราอยู่ไหนก็ตามเราขอให้แม่เห็นหน้าแม่พอไ้ไปทอดบ้านถ้าหายจริงจริงวเนี่ยทอดบ้านสาขายจริ ง, รงไม่มีใครอยู่บ้าน เขาไปทำงานหมดมียายแก่คนหนึ่งผมขาวพนหมดจงหัวแล้วนั่งอยู่ตแท่ไม่ไผ่ตำตาบันหมากหรือตำอาเหมือนังเล่นเด็กเล่นขายของเนี่ยทำวันนั้นทำวันนี้เล่นอยู่อย่างนั้นแต่ไม่ป่วยไม่เจ็บดอกแข็งแรงอยู่ร่างกายแต่ว่าแก่มากเอวคอมเอวคอมลง คางไม่มีฟันแล้วคางบ้ามก็มาจุดดังเพี่อะจะหมู่แขกมียาวเนี่ยจะหมู่แขกยาวเวลาฟันมันหลุดหมดแล้วคางาตีเข้ามาตั้งกายยายคนนี้เกิดโอ้โหรือเปล่าเนาะคิดดูเวลาเราไปบวชแม่เราได้หกสิบปีแล้วนะเวลาเราไปบวชหกสิบปีแล้วนะ พ่อแต่งงานเวลาสี่สิบปีเราได้ลูกมายี่สิบปีแม่ก็คงหกสิบปีเวลาเราไปบวชอยู่นี่เราได้เท่าไหร่ยี่สิบห้าสามสิบปันษาแล้วนะสามสิบปันษานี่กัหกสิบ 60, มันก็เท่ากับเก้าสิบแล้วสามสิบปันษา กับ60ปีในระยะนั้นเพราะ30กับนั่นกัส90ปีแม่เราถ้าหามีอายุอยู่ก็กับยายคนนี้ก็คงพอๆกันเลยขับยายคนที่นั่งอยู่เนี้ยเข้าไปยืนอยู่เข้าไปยืนอยู่ใกล้ๆยายคนนั้นเข้าไปวินจวาน ยายเลยมองเห็นพระมาเนี่ยเห็นพระมายืนอยู่อ๋ออ๋อพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าเจ้าของบ้านเขาไมา่อยู่เจ้าของบ้านเขาไปทุระอันนี้มลโปรดข้างหน้าเธออันนี้มลโปรดข้างหน้าเธอเจ้าข้า ว, ว่ากันไปภาษา แฉกจะว่ายังไงไม่รู้เนเสียงนี้มันเสียงแกวๆเสียงคุ้นหูมากเหมือนเสียงแม่เราแต่ว่าฟันไม่มีนี้เหมอือนโบกันหน้าเร่อเจ้าฟ้าเสียงมันแค่ว่าเสียงแม่เราชัดๆไม่มีไฟฟ้าลาคีใดๆ ไ, ไม่มีสะเลดอะไร ติดคอเลยเสียงเหมือนแม่เราจึงยายคนนี้สังเกตอยู่ก็ไม่รู้โอ้หงผมขาวหมดทุกเส้นแล้วปางงอมแล้วดูสาะรลรูกการนุ่งผ้าเียบดังแม่เราแต่ก่อนนุ่งผ้าสาลีสวยงรุ้หลาเดี๋ยวนี่นุ่งผ้าขาว รงผ้าผมขาวเสื้อกลอกขาวแต่ว่าผ้านุ่งตรงก็เป็นแล้วก็ขาวแต่ว่ามันขาวแบบอมอๆไม่มีใครซักให้น่ะเอาอมอๆเหมือนฉีกที่เท่านี่แหละไม่มีใครซักไปอะไรให้มอมแแม่มอมซอมซ้อแล้วเกินยายก็มองเห็นผ้าอีก ยังไม่ไปอีกโอ้ยพระคุณเจ้านึกว่าคุณเจ้าไปแล้วอีฉันไม่มีอะไรจะใส่แล้วไม่เหมือนเดิมแต่ก่อนอีฉันก็เคยทำบุญ<ม>ไปขาดสามีก็มีเขาลูหาดก็มีลูกชายก็มี แต่ว่าลูกชายไปในปา่าบวชไปแล้วไ้ยินข่าวว่าตายในปา่านะแล้วแม่ก็เลยไม่มีที่อยู่เลยมาอาศัยขอเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้ทำบุญข อ, อริอมนพระคุณเจ้าไปข้างหน้าเถิดหรือว่าคุณเจ้าได้ยินแล้วหรือว่าหูไม่ดีเือว่าไปนะ ที่ฉันไม่เหมือนเดิมเราเจ้าค้าอาศัยเขาอยู่เขาให้กินก็ได้กินเขาไม่ให้กินก็อดไปวันหนึ่งนั่นแหละมันเป็นแม่เราจริงรจริงนี่หว่าใจคนนี้ต้องเป็นแม่เราจริงจริงเลยหว่าคาถบเขาไปไกลยอยากจะดูตาละลูกทําไมฟันไม่มีทสึกฟันไม่มีแล้ว ้าดูคิ้วค้างหูหางก็เหมือนแม่เราหมดทุกอย่างแต่ฟันไม่มีอ๋อแน่พีเดียวแม่เราจริงๆเลยยืนอยู่นั่นละลืมสลดสังเวชใจไม่มีใครอุปถรัรมภ์วาถากแม่เราไม่มีใครดูแลแม่เราเสื้อผ้าอาอนค์คงเหม็นสาบก็แรงแล้วนะสลดแทบจะร้องไหแ้แต่มันยังไม่ไห้ ป่งอยู่อย่างนั้นไดคุณยายแล้วก็มองเห็นพระเข้าที่สามอีกเออพราคะคนเจ้ายังไม่ไปเลยเอลุกขึ้นได้พอเห็นพระสามทีแล้ว เ, เป็ น, เ ป, นเป็นอนุสติเห็นพระสามทีเรามีสติขึ้นมาเอาเราก็มีลูกชายรู้หาว่าโศของแม่ไม่ตายเนอะขึ้นมา แต่พระคุมขออย่าตายตายอย่างเขาว่าเลยขอให้โสขอแม่มาหาแม่ถถ้าโสขอแม่มาหาแม่ในขณะนี้แม่จะมีความสุขมากนะลงจากเตียงลงจากตะแครไม้ไผรคานเข้ามาใกล้ๆมากั้งโกบมองดูหน้าดูตาดู ขอโทษเถอะว่าคุณเจ้ า, าที่ฉันตาไม่ค่อยดีขอดูใกล้ๆบางทีอาจจำได้นะอ า, อาจจะจำได้นะ เ, เหมือนเหมือนจริงๆนแะแต่ว่าหัวล้านไปหน่อยอผมผมแชมแล้วผมหวออกแล้ว เหมือนเหมือนลูกแม่จังวะถ้ามยังมีชีวิตอยู่ไม่ตายก็คงรุ่นลาวเขาเดียวเขาพระคุณเจ้านี่แหละแล้วพระคุณเจ้าอยู่ไหนหรอ่าจากไหนพระคุณเจ้าเจ้าเลยวาเนี้เลย เอาเหรอวนะนมองดูหรือหากพระคุณเจ้าเป็นโสของแม่เหรอหากไม่ได้เลย mm hmm. เออขึ้นมา mm hmm. บอตอบก็ไม่ได้เลยหรือหากพระคุณเจ้าเป็นโสของแม่เหรอ หัวใจมันคาขึา้นมาแน่นขวางเลยน้ำตาพังหลงไหลลงใสกีวรนเปียกไหลลงถ้าบานไม่ปิด ก, ก็เลียวเข้าวานหละน้ำตาอะไรปะปะ ป, ป, ป, ปอยากแกล้งให้เก็นที่ทนเราได้แต่วัาไหลอยู่จนนานเราอึงเวล่ น, นล ทา่านก็อ่อนวอนจะประคุณขอให้เป็นโตของแม่เถอะแม่อย่าได้ตายเลยอย่างนั้นอย่างนี้เรารอนรอนวอนอยู่นั่นแหละยายตั้งสติขึ้นมาได้โสว่าเราไปฝึกลรือมานานแล้วทำไม่อ่อนแอขนาดนี้ใจแต่เลยได้สติขึ้นมา เจตหมูน้ำตาดีแล้วปัะเดนข้าฟังนวโยมนะ่ะจะมาอะโยมข่าวดีจะมาหาโยมแล้วจะมาส่งข่าวให้โยมข่าวอะไรพระคุณเจ้าข่าวอะไรเนะข่าวโสของแม่นะที่ยังอยู่เหลือโสของแม่ยังอยู่เหลือยังยัง เพรคุณเจ้ารู้ดีเหรออยู่ไหนอยู่ไหนโสอของอแม่อยู่ไหนอสขพ่ อ, อ, อแม่ยังไม่ตายรู้กันดีอยู่ด้วยกันไปด้วยกันมาด้วยกันเ่าปลอกใจสะก่อดดีๆนะอัาดี้อ้ อ, อนวอนดักเขานักเขาอยู่ไหนอยู่ไหนท่านให้โยมไปหาลูกได้ไหม ่าลูกแม่ได้ไหมได้ได้ไ ด, ได้ไม่ต้องนั่งอกใจดีๆก่อนทำใจให้ดีๆจะพาไปเองไม่ต้องกลัวนะจมารู้ดีเท่าๆกันกับอาตมานี่แหละนะเท่าๆกับตัวอาตมาเองรู้ดีกับตัวได้คุยเฉยอยู่ตะ ก, กอนปอบใจปอบให้แม่มีกําลังใจดีๆตะ ก, กอนทีนจะพูด อยู่ไหนพระคุณเจ้าอยู่ไหนอยู่ไหนบอกลุงโมหน่อยก็กําลังคุยกับแม่อยู่นี่แหละนะโสของแม่กําลังคุยกับแม่อยู่นี่แหละเออคำเดียวเออคำเดียวสลบเลยลมเลยช็อกในขนาดนั้นชาวบ้านจะวเมงเห็นเหตุการณ์อย่างนั้นลุมกันมา ทุบอกให้ทุบมานวดให้ปั๊มหัวใจให้ไปมาตื้นขึ้นมาคราวนี้กำลังหัใจมันดีขึ้นมาโอ้ยแม่อยากกอดเท้ากอดลูกเหลือเกินลขึ้นมามาใกล้แม่ให้แม่ได้ใกล้ใกล้หน่อยเถอะแม่ลูกเป็นพระแม่เป็นโยมเามอ เขาเห็นแล้วก็ดีแล้วแม่ไม่ต้องไม่ต้องทำสบายลูกไม่ให้แม่ตายหรอกลูกจะเลี้ยงแม่เอง ม, มาเข้านั่งตะแคร่ไมไผ่ผ้าถานมาผ้านั่นมาอาหารอยู่ในบาดเต็มแบ่งให้แบ่งส่บาทตัวเองให้แม่ให้แม่เต็มบาตไว้ เราตัวจัดพออิมเลยจัดฉันเราฉันข้าวกับแม่วันนี้แม่ไม่กินข้าวก็ได้รีบดีใจทั้งพูดทั้งอะไรกับลูกชายเขาไปกินข้าวได้เยอะแม่ไปกินข้าวได้เยอะพะนน่อโซน้าไปฉันข้าวอิมแล้วจะกล้าแม่กลับไปวัดก่อนวันหนายจะมาใหม่กับแม่นะอยู่นี่ละวอ่ ขาทิ้งแม่นะลูกนะเปล่ากันไปทำเรื่องเราไม่จริไม่ทริแล้วกลับไป้วไปถึงวัดแล้วก็ทำข้อวัดปฏิบัติธรรมดาเลยนตอนเช้ามากระตาโอกตั้งใจบินิาฉมามาถึงแม่จนได้วันไหนได้น้อยให้แม่หมดให้แม่กินหมดตัวอย่างกินน้ำอ๋อ ไม่ต้องกินเวลานั้นก็หาหยีจเ ง, งินวางดีไม่ได้อะไรเลยตัวก็อดแม่ก็อดเหมือนกันมินทบาทไม่ค่อยรวยเท่าไรบางวันนะทําอยู่อย่างนี้เป็นเดือนมินทบาทเลี้ยงแม่ตัวเองอดอ ด, อดอยากๆจนสาะระลูกตัวเองเหนือตั้งแต่เส้นเอน็นผิวคำำําดํา า้าลูกไปนั่นนี่วันนียไปขวัตจารทำจิตวัดตอนเย็นเป็นลมเป็นลมแล้วเ็ล่านั่งพัดอยู่พระชิกนช่ทั้งหลายก็ตำหนิเดียวพิจูบอกว่าสวยโสดนะบอกว่าจาบินาบาดเลี้ยง ให้ขลือหัดจะไปบินดาบัดเรื่องขลือหัดมันเป็นอาบาัอก็ไม่ฟังบอกแล้วก็ไม่ฟังตัวเองจะตายอยู่แล้ววนะไงทํำยังไงล่ะก่ อ, อนั้นแนละที่บอกแล้วเกอนแล้วก็ออยังไม่ฟังมันเป็นโทษเป็นอาบัติบินดาบัดเรื่องขรือหัดโหนาเป็นลมเขาพูรีเจ้าอยู่ ที่คันตกคุณดีได้ยินได้ยินภิสูุทั้งหลายสนทนากันว่าพิโนณเรียงมันดาเรียงกรลือหัดตัวเองไม่อิม่มเลยกินไม่อิม่มอ่อนเปียเพลยแรงเป็นลมทุกวันพระพุทธเจ้าเลยไม่แอโสนา่าเธอก็ทาดีนะภิสุภุตุชนยังตําหนิเธอได้เลย อยากนั้นเลยเราจะลงสู่ธรรมสภาศ า, าลาวันนี้เพื่อแสดงมาตาปิตุอุปถาณธรรมให้บริษัทได้ฟังให้ภิกษูทั้งหลายได้ฟังด้วยบางทีธรรมมาพิสัยก็จะบังเกิดขึ้นกับพุธบริษัทเป็นแน่ทีเดียวมาแล้วก็มาเลยถือได้ยามถือได้นัก็มาเองเ พิสูจทั้งหลายเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาผิดเวลาดีอกดีใจลุกขึ้นยืนรับไปปูราดอาสนะในธรรมสภาศ า, า, าลาไอ้พระพุทธเจ้าเข้าประทับนั่งพิสูนทั้งหลายก็ห้อมล้อมเข้ามาห้อมล้อมเข้ามาเพื่อจะมาฟังโอวาทวันนี้พิสุจพระภูมิพระภาคคนมาผิดปกติเลยน จะได้ฟังเรื่องแปลกๆวันนี้วนะันนั่งหอบลอ้อมตามสมควรของวนของตนของตนนิ่งอยู่ยวิญยากก็ทำลายความนิ่งขึ้นทำลายความนิ่งขึ้นมาได้ยินว่าได้ยินแว่ๆ ว, ว่าภิกษุบินดาบเลืเ่องคฤือหัดคฤหัสมีหรื อ, อ, อมีอยู่ที่ไหนเออว่า มีดบาว่เรี่ยงขหัรือยมีเหรออะไรพิสูจผูแ้แฉมแรลมผู้ต้องการอยางดังก็นีพระเจ้ า, าค้าขึ้นมาแล้วนีพระเจ้าค้าใครอ่ะมี่ไหนโสนะพระเจ้าค้าไหนโสนะโนูนนั่โน้นเป็นลมอยู่อะไรไม่กินข้าวไม่ยิ่มทุกวนัน มันเข้ามาอิ่มทุกวันแล้วก็ตัวเองเป็นลมอยู่นั่นแหละไห <c oughs> นโซนะวานี่หน่อยเดีย <c oughs> ตายแล้วโซนะมันจะตายแล้วตายเป็นตายเราจะต้าอสึกก็ยอมทำยังไงก็ยอมหมดแล้วถ้าเรามีความผิดเราไม่ต้องสึกอยู่ <c oughs> แต่มันใจมันยังดึงดั่อยู่ยังไม่อยากตึ่นอ่ขานเข้าไปขานว่าเอาเล่าดูสิได้ยินว่าเธอบินาบาบเลี้ยงค้าวเลืหัดจริงเหรอโสนะจริงพระเจ้าค่ะจริงอย่างพิสูจทั้งหลายว่าละเขาเลือดหัดที่เธอบินาบาบเลี้ยงเน่ยเป็นอะไรกับเธอหรือ เป็นมารดาบังเกิดเก้าพไปเจ้าคาอืมเอาลองเล่าดูสิเล่าตั้งแต่ต้นออกบวชโ น, นล่วบวชเหล่านี้ไปไหนมารดาต้องการอยากจะให้เป็นยังไงอยากให้แต่งงานอะไรยังไงเธอก็เข้าป่าชิบไปเลยไปในป่าไม่ไมสบายเป็นยังไงเล่าให้ฟังเล่าให้ภิกษุรงหลายฟัง จกลับมาเนี่ยนะกลับมาแล้วินดาบาัรวินดาบัดไปที่คฤหาสน์ล้วไม่มีใครคฤหาสน์ถูกเป็นของคนอื่นแล้วเพิ่งได้ยินข่าวว่าพ่อเสียชีวิตเพราะโรคหัวใจแม่ไปอาศัยสหายที่โ น, น่นเขาเข้าระบานก็ตามไปตามไปเห็นแม่จริงๆนี่จำไม่ได้เลย ก็แก่มากหัวขาวโพลนฟันไม่มีลุงผ้าซำซ่อหมองหมองมนบนข้าประบาทก็เข้าไปใกล้ๆยายนั่นก็บอกบนี่วนปวดข้างหน้าเธอเจ้าค่ะเป็นเสียงแม่หรือเปเป็นเสียงแม่ข้าประบาทก็ไปใกล้ๆอีก ยายก็มองเห็นข้งที่สองบอกออกมาชัดๆบอกว่าอีชั้นไม่เหมือนเดิมเขาขาดเป็นของคนอื่นแามนีก็ตายลูกชายเขาไปตายในป่าว่าใสเขาอยู่เป็นแพ่จริงๆเข้าไปใกล้ๆยายลงมาที่ยายคลานลงมาตั้งโง่ <c oughs> กลางแสงแดดแล้วก็มองดูหน้าหรือหากพ่คุณเจ้ า, เ, าเป็นโสของแม่เหรอเท่านั้นแหละอาจารย์ฟ้าอะไรมันอดไม่อยู่เลยน้ำตาพังออกมาถ้าไม่ปิดฝาบาทก็เปียกมลบาทเลยออกอย่างสาใจจริงๆ ก็เลยตั้งใจว่าจะบินจบวานเลี้ยงแม่เลยตั้งแต่วันนั้นมาก็บินจบวานเลี้ยงแม่ทุกวันทุกวันบางทีได้มากก็ตัวเองก็อิ่มบ้างให้แม่อิ่มบางวันได้น้อยให้แม่หมดอตัวเองก็โอดเอาสองวันสวันก็มีสารลูกถึงเป็นอย่างนี้ไปจ้าฆ่า ถ้าหากพระบรมมาสาธราไม่เมตาก็จะตึกไปเลี้ยงแม่และยอดผู้ที่เจ้าวยอดเดี๋ยว น, นี้บรรดาเธออยู่ไหนอยู่บ้านสหายโนนไปตามเอาแม่มาเอาแม่มาอยู่วัดอยู่อาวาสเนี่ย ปลูกกระทอบห้นะ่ละปลูกกระทบไปเอามาไปเอามาอยู่ที่วัดนี้ปลูกกระทบไพ้ให้แม่มีศีลให้แม่มีปฏิบัติธรรมเธอจงบิณฑบาตเลี้ยงแม่เธอเถิดเราอนุญาตภิกษุเลี้ยงมันดาไม่เป็นโทษภิกษุบิณฑบาตมาแล้วแบ่งให้พระราชา ผู้ลีภัยมาอาศัยนะ่ะได้ฉันรู้ได้รับท า, านด้วยไม่เป็นโทษแต่แม้แต่โจรทั้งหลายเขาจะมาปนวัดปนว่าหาเขาอาหารที่บินดับบาสมาเลี้ยงเขาก็จะไม่เป็นโทษอนุญาตผู้เป็นวิดามันดาอุปชาอาจารย์ไม่เป็นโทษหรอกไปเอามา พระโสดากษกราบลงแทบบาทมูลของพระพุทธเจา้ากราบลงแทบบาทมูลของพระพุทธเจ้าเป็นพระมหากรุณาที่คุณหลนเหลือที่ออนุญาตกําลังจะหายอยู่ที่ให้โอกาสข้าพระบาทที่กําลังกจะหายอยู่จยากจได้รับ อนุญาตจังนี้เออไปไปไปไ ป, ไปเลยภิจูตั้งหลายกันเลยตามกันไปเลยตามพิษุโน <c oughs> สน่ะไปขนของมารดาใส่ล่อใส่เกียนมาลากมาขนกันมาจนถึงแล้วก็มาปลูกกระทบกระทอมกระทกระอมให้อยู่ปุติน้อย ปฏิบัติมันดาอเช้าวก็ได้ปฏิบัติมารดาจัดอาหารให้มันดาได้ข่าครับสมัยนี้ก็คงปินโตปินเดอร์แล้วมีหม้อมีอะไรกระใส่ให้แต่ปฏิบัตมิมารดาตอนเย็นมาก็ดูมารดาเป็นยังไงต้ม ร, ร้อนน้ำอุ่นให้มันดาได้อาบด้วยก็ได้ซักเสื้อซักผ้าให้มันดา ก็ได้อีกด้วยพริเจ้าอนุญาตเพอได้ปฏิบัติมารดาแล้ววันนี้ใจมันอิ่มทุกวันุก ว, น, กวนติมปีติทุกวันนั่งสมาธิภาวนามไม่ขัดข้องเลยไม่ว่าจึกมะรับสมบัติไม่มีไม่มีสมบัติที่จะรับแล้วไม่มีปฏิสารเดือดร้อน ใ, นใด ใจกุดิมอยู่ทุกวันทุกวันปฏิบัติกรรมฐานสมถกรรมฐานก่อง่ายมีปััสนากรรมฐานก่อง่ายใจรวมทุกวันเลยในได้สำเร็จนได้สำเร็จได้ดวงตาเห็นธรรมได้บรรลุนะได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งขึ้นมาชื่อว่าโสนะกุติกันนะนี่ละ ได้เป็นพระโสณเถระองค์หนึ่งในภาษีติมหาสาวกนะะฉะนั้นการอุปมรมะถากาบิดามันดาท่านเรียกว่ามาตาปิตุอุปทานังอุปทานธรรม mm hmm. เป็นยอดเยี่ยมูททุ้ทธเจ้าพระเถรในความเองใครอุปรมะถากาบิดามันดามันเป็นมงคลชีวิต mm hmm. ทำให้ได้สำเร็จมาผลนิพพานนเพื่อที่เจ้าจะสลายกนิทานของพระองค์มาเล่าให้ฟังเหตุที่เราได้สำเร็จเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมพธิยานก็เพราะในอุปธรรมประถาวิดามันดามาหลายชาติแล้วในชาติที่เป็นพระสวนนะสามนันก็ได้ปฏิบัติประถา มารดาบิดาตาบอดด้วยสมัยป็นช่างธนาปานก็ได้ปฏิบัติมารดาตาบอดด้วยเหมือ น, นสมัยจวนนพโฎกเป็นนกจวนนพโฎกนกแกะเต้าก็ได้เลี้ยงมารดานดั่นเองเราเลี้ยงมาทุกภพทุกชาติเลี้ยงมันดาตาบอดสุลักสุเล ข, ขนาดไหนอานิสงกันนั้นแหะสงให้เราได้จัดสรูป เป็นหลวงพุทธเจ้าเป็นสนรเสริเรื่องมาตาปิตุบุธานางรรังกุศรารัตสงฆ์วากวันนี้ไม่ทอดทิ้งไม่นิ่งดูได้ไม่ใจจืดไม่ใจดำเป็นกตัญญูกตวเวจิตธรรมในทางศาสนาอืวงพุทธเจ้าอนุญาตเม่อาเนี่ยเป็นลน่าตลอดตังเวทจริงไง คนด่งดังจนเป็นมหาเศรษฐีขนาดเศรษฐีใหญ่โตยังล้มละลายได้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนแล้วก็แล้วก็ด้วยประกาลาสนีตะบอลลงมา